ภิกษุอคันตุกะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารภพวกภิกษุอคันตุกะดังได้สดับมาภิกษุประมาณห้าร้อรูปจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาอ ย, อย่างพระเชตวันพระบรมศสาสดาทรงพิจารณาธรรมอันเป็นปฏิปักษ์แกจริยาของพวกเธอเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระกาถาว่า บัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอาไลอาศัยธรรมอันหาอาไลไมิได้แล้วควรเจริญธรรมขาวละกามทั้งหลายแล้วหมดความกังวลถึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกอันเป็นที่ซึ่งประชายินดีได้ยากบัณฑิตควรทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองชนเหล่าใดอบรมจิตดีแล้วโดวยชอบในองค์ธรรมแห่งความตรัสรู้ และชนเหล่าใดไม่ถือมัน่นยินดีในการละเลิกความถือมัน่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีณาสกรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายว่าคำว่าละทมดำแล้วควรเจริญทมขาวหมายถึงละอกุศลกรรมซึ่งเป็นฝ่ายทุจริตที่ชื่อว่าอากุศลกรรมมาบทสิได้แก่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่และมโนโ ท, ทุจริตสาม จเจริญธรรมขาวคือการจเจริญกุศลธรรมซึ่งเป็นฝ่ายสุจริตที่ชื่อว่ากุศลกรรมบททั้งสิบได้แก่กายสุจริตสามีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นวจีสุจริตสี่มีไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบเป็นต้นมโนสุจริตสาไม่อยากได้ของของเขาไม่พยาบามและเป็นสัมมาทิฏฐิจเจริญธรรมขาวจเจริญอย่างไร คือให้ออกจากอาลัยปรารบธรรมอันหาอาลัยไม่ได้ออกจากอาลัยคือปรารบพระนิพพานอันเป็นธรรมเป็นเหตุไม่มีอาลัยเมื่อปรารถนานิพพานควรจเจริญธรรมขาวป ร, ร, รารพพระนิพพานคือความปรารถนาความยินดีในวิเวกที่ไม่มีอาลัยซึ่งสัตว์อภิรมได้โดยยากยินดียิ่งในวิเวกคือการละ ก, กามเป็นผู้หมดกังวล พึงทำตนให้ขาวพ่องบริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งห้าคือกามพยาบาทม่วงซึมหดหูวิตกกังวลลังเลสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญใจยินดีในการละเลิกความถือมั่นคือไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสีคือกามศิลปะปรามาสการเชื่อแบบไม่มีเหตุผลติดลทัทธิมงคลพิธีตื่นข่าวทิฏฐิและอัตตาการเจริญทำขาว เป็นธรรมอันเป็นเหตุไม่มีอะไรพึงเน้นไปที่การเจริญสติที่ทวารหกเมื่อกระทบอารมณ์6กและลงสู่มโนทวารในวิญญาณหกให้บังเกิดเหตุไม่อะไรไม่อภิชาคือไม่ชอบไม่โทมนัสคือไม่ชังไม่ยินดีไม่ยินร้ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสถูกต้องทางกายใจคิดนึกรู้เรื่องรู้ความหมาย ไม่อะไรคือสักแต่ว่าเห็นได้ยินเป็นต้นเกิดแล้วดับไปแล้วเป็นสักแต่ว่าไม่ใช่เราได้เห็นได้ยินไม่เกิดอะไรชอบชังทางตาหูเป็นต้นไม่เป็นวิบากกรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม